ทีนี้ถ้าหากว่าจะละนิวร์ล่ะเจะละนิวร์เพื่อไม่ให้กิเลสเกิดขึ้น mm hmm. พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมะอื่นสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุไม่เกิดขึ้นแห่งกรรมฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ดีหรือเป็นเหตุเสื่อมหายไปแห่งการมฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดีเหมือนดังอสุภานิมิตคือนิมิต ว่าไม่งามนี้เลยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อบุคคลทําในใจโดยแยบคลายซึ่งอสุภานิมิตการมาฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นการมาฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมหายไปอธิบายว่าบทว่าอนุ ป, ปันโนะกามาฉันโทนุ ป, ปัชเติความว่ากามาฉันทะที่ไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุสองอย่างก็คือหนึ่งด้วยความไม่ฟุ้งขึ้น มันไม่เกิดเพราะมันไม่ฟุ้งขึ้นมันไม่กำเริบขึ้นหรือด้วยอารมณ์ที่ที่ไม่เคยเสวยก็ไม่เกิดเช่นสิ่งไหนที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยรับรู้เลยนะโลภะจะเกิดไหมในอารมณ์เหล่านั้นกิเลสก็ไม่เกิดเนี่ยนะการมฉันทะนั้นเป็นอันที่สุขนคมได้แล้วอย่างนี้นะย่อมไม่ได้เหตุหรือปัจจัยอีกแม้ในที่นี้บัณฑิตเพื่งทราบความไม่ฟุ้งขึ้นด้วยอานาจวัดเป็นต้น นะอาศัยกุศลที่กล่าวไปครั้งแรกๆนะที่เขียนขึ้นอนะ่ะกุศลกุศลเหล่านั้นเนี่ยทำให้การมาฉันทะไม่เกิดนะจริงอยู่ภิกษุบางรูปประกอบอยู่ในวัดกระทำวัดอยู่นั่นเองโดยในดังกล่าวแล้วกิเลสย่อมไม่ได้โอกาสเพราะฉะนั้นการมาฉันทะนั้นเป็นชื่อว่าภิกษุข่มไว้ด้วยอำนาจของวัด พิสูจนนั้นกระทําการมาฉันทะนั้นให้เป็นอันตนเนี่ยข่มไว้ได้อย่างนั้นแล้วเว้นขาดย่อมยึดเอาพระรหัสได้เหมือนพระมารกะติดสะเถระฉะนั้นนะคือบางพวกเนี่ยนะเจริญวัดเจริญกุศลอย่างดีเสร็จตอนหลังก็ปล่อยให้อากุศลเกิดต่อได้แต่บางท่านไม่เป็นอย่างนั้นพอข่มบาปอากุศลได้ระดับหนึ่งก็เป็นบาทเพื่อจะเจริญวิปัสนาจนบรรลุอรหัตตมรรคเลย ท่านก็ยกตัวอย่างว่าพระมาละติสะเถระเนี่ยกเนิดของท่านนี้บังเกิดในครอบครัวพานในที่พิกขาจารยวัดในขเมนดะวาสีวิหารในโรห a ชนบทเนี่ยนะอันนี้ก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยนะ ก, การไปเห็นแล้วนะโรห a ชนบทเนี่ยนะเนี่ยก็เป็นครอบครัวแถวแถวที่พระไปบินทบัตผ่านไปผ่านมาพอดีเลย นะแต่ว่าเป็นตระกูลนายพรานเจริญวัยแล้วก็ครองเรือนคิดว่าจะาเลี้ยงบุตรและภันยาวางฟ้าทับเหวเอาไว้เนี่ยหนึคันนะนะฟ้าทับเหวก็คืออาจจะเป็นท่อนไม้ใหญ่ๆเนี่ยนะเป็นคล้ายๆว่าท่อนสูงอันหนึ่งเขาจะมีวิธียกให้ท่อนไม้อันนี้มันสูงขึ้นเนี่ยนะโดยแล้วก็มีลิ้นอะไรสักอย่างไว้ข้างล่างนะสัตว์ก็จะเดินมาเหยียบตรงนั้นอนะ่ะพอเหยียบเหมือนก็เหยียบใบไม้ธรรมด า, าแกร็บ และไอซุงเนี่ยมันจะหล่นทับพอดีเลยนะนะบางก็เจ้านี้เขาทําไม่ร้อยร้อยคันก็คือร้อยอันนะนะเขาเรียกว่าฟ้าทับหิวเนี่ยนะมันใครที่เดินไปตรงนั้นเนี่ยถูกทับหมดอ่ะสัตว์ก็ถูกทับถ้าใครเอาเท้าไปเหยียบเท้าก็แตกเลยแหละนะแต่ว่าแตกพอเหลือเอาไว้กินได้นะไม่ใช่แตกแบนแต้แต้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็คือพอพอกินได้ ด, ดักสัตว์พวกคือตั้งแต่พวกพังทอนพวกหนูขึ้นไปนะสัตว์ ใหญ่กว่านั้นขึ้นไปท <c oughs> ีนี้ก็พัฒนาไอ้อันนี้ขึ้นมาเป็นแบบแบบธนูขึ้นถ้าเดินไปแล้วมันจะพุ่งเข้ายิงเองก็มีเนี่ยนะก็เริ่มพัฒนาไอนน้วิธีการดักสัตว์มากขึ้นมากขึ้นหะรือว่าทําบ่วงเอาไว้หนึ่งร้อยบ่วงเนี่ยนะเดินไปเนี่ยนะเอาหัวไปสวมมันก็ดึงขึ้นเลยนะแต่บ่วงก็มีหลายประเภทดักสัตว์ตามตามประเภทไปไนะถ้าบ่วงบ่วงพวกดักเนื้อดักกวางก็ดักที่ข้อเท้าอนะ บ่วงบางอย่างก็ดักที่คออะไงี้ยนะทำบ่วงไว้ร้อยบ่วงแล้วก็ฝังหลาวเอาไว้หนึ่งร้อยแห่งฝังหลาวก็คือขุดหลุมขุดหลุมเสร็จก็หาไอ้ที่แหลมๆค ม, คมๆเนี่ยนะไปวางวางเรียงเอาไว้แล้วก็เอาใบไม้มาปิดไว้ข้างบนเนี่ยนะถ้าสัตว์ตัวไหนตกลงไปก็ถูกเสียบเป็นๆ เ, เลยแหละเอาไว้อีกหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหลุมอย่างนั้นอีกนะก็เลยสั่งสมบาปเอาไว้เป็นอันมาก ก็ค่าอย่างน้อยเนี่ยสัตว์ตายจะเป็นร้อยตัวเนี่ยถ้าทําทกับดักขนาดนี้นียสัตว์อย่างน้อยค่าวันละร้อยส0งอนั่นแหละวันหนึ่งก็ถือเอาไฟเล็กเกลือจากเรือเนี่ยไปป่าค่าเนื้อที่ติดบ่วงอันนี้เป็นตระกูลสัตว์ใหญ่ๆนะเนื้อก็เท่ากับลูกวัว ด, ดีๆนี่แหละพอค่าเนื้อที่ติดบ่วงกินเนื้อที่สุกด้วยฐานเพลิงแล้วก็ปกติแล้วคนที่กินแต่เนื้อจิ้มเกลืออย่างเดียวหรือ คลุกเกลือแล้วก็ย่างเนี่ยนะปกติจะ ก, กระหายน้ำเขาก็เลยกระหายน้ำเข้าไปในเขมรดาวาสีวิหารไม่ได้ดื่มน้ำแม้เพียงบรรเทาความกระหายในหม้อน้ำประมาณ1ิบหม้อในโรงน้ำดื่มะนะเรียกว่าไปเปิดก็สิบหม้อไม่มีน้ำอยู่ในนั้นเลยะนะก็เริ่มยกโทษว่านี่อะไรกันในที่อยู่ของพิสุมีประมาณเท่านี้ไม่มีน้ำดื่ม เพียงบรรเทาความกระหายสําหรับผู้ที่มาเพื่อหวังจะดื่มเนี่ยนะพระจุลบินดาปาติกะติดสะเทระฟังถ้อยคําของเขาแล้วจึงไปหาเขาเห็นหม้อน้ําดื่มประมาณสิบหม้อนเนี่ยเต็มในโรงน้ําดื่มคือเขาเนี่ยไปเปิดหม้อน้ําทุกหม้อไม่มีน้ําสักหยดเลยะนะแต่พระไปเปิดเอ๊่น้ำก็เต็มเหมือนเดิมนี่ก็เลยคิดว่าสัตว์นี้ชะลอยจะเป็นชีวมานะเปรตคือเป็น แต่กลุ่มเปรตที่ยังมีชีวิตอยู่ว่างั้นจึงกล่าวว่าอุบาสกถ้าท่านกระหายน้ําก็จงดื่มเถิดดังนี้แล้วก็ยกหม้อขึ้นรถลงที่มือของเขาเพราะอาศัยกรรมของเขาน้ําที่ดื่มแล้วที่ดื่มแล้วก็ระเหยไปเหมือนใส่ลงไปในกระเบื้องร้อนนะมันแห้งอ่ะนะดื่มไปก็หายดื่มก็หายดื่มก็หายเมื่อเขาดื่มน้ําในหม้อหมดความกระหายก็ไม่หายขาดะนะดื่มไปสิบหม้อยังไม่หายกระหายเลยนะ ลำดับนั้นพระเถระจึงกล่าวกับเขาว่าดูก่อนอุบาสกก็ท่านเนี่ยทำกรรมหยาบช้าไว้เพียงไรท่านจึงเกิดเป็นเปรตในปัจจุบันทีเดียววิบากจะเป็นอย่างไรเนาะ น, น, ะนี่ท่านก็เป็นเปรตแล้วนะหิวกระหายขนาดนี้เนี่ยปกติเขาดื่มแก้วสองแก้วก็หายแล้วใช่ไหมนี่ดื่มไปทั้งหมดเยอะแยะไปแล้วยังไม่กระหา ย, ยังไม่หายกระหายนี่นะขนาดชาตินี้ยังอย่างนี้นะชาติหน้าท่านจะขนาดไหนนะเขาเนี่ย พอฟังคําของพระเถระแล้วก็ได้ความสังเวชไหว้พระเถระแล้วก็รื้อเครื่องประหารมีฟ้าทับเหวเป็นต้นเหล่านั้นเสียนะก็นึกกลัวบาปสงสัยคือเกิดในศีลังกานะคงจะได้ยินเรื่องบุญเรื่องบาปบ้างอยู่แล้วอ่านะเพราะบ้านอยู่ใกล้ๆวัดเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ก็พอจะรู้บ้างว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปแต่ว่าด้วยอําเหตุผลเช่นเลี้ยงครอบครัวเป็นต้นเนี่ยก็เลยต้องทําบาปอากุศลเหล่านั้น มันก็เลยพอฟังอย่างนี้ก็เลยไปทําลายทําลายหอกทิ้ง น, นะแล้วก็ทิ้งประทีปเนื้อและนกเอาไว้ในป่าแล้วก็ไปถึงก็ตรวจดูบุตรและพัญยาเนี่ยนะก็คือเท่ากับไปลาครอบครัวมาบวชแล้วกลับไปหาพระเถระขอบรนประชาพระเถระกล่าวว่าผู้มีอายุบรนประชานี้เป็นกิจที่ทําได้ยาก มาขอบวชนะพระก็บอกบวชนินททายากนะบอกท่านจากบวชได้อย่างไงคือปกติเนี่ยนะดูตามลักษณะอาชีพของเขาแล้วอ่ะแหมามาบวชไม่ใช่ของง่ายเลยเขาก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมเห็นเหตุแจ้งประจักษ์อย่างนี้แล้วจกไม่บวชได้ยังไงหมายถึงว่าแหมผมจะตกนรกวันสองวันนี้แล้วนะผมจะไม่บวชได้ยังไงเนี่ย พระเทเรก็เลยให้ตะจะปัญจกะกรรมฐานแล้วก็ให้บวชคือสอนเรื่องผมขนเล็บฟันนั่งก่อนเนี่ยนะแล้วก็ให้บวชเลยพอท่านเริ่มวัดปฏิบัติยินดีในการเรียนเอาพุทธพจน์เนี่ยนะทีนี้วันหนึ่งได้ฟังฐานะนี้ในเทวทูตสูตรเนี่ยนะคือก็เรียนทั้งสายเรียนมาหลายสูตรด้วยกันนะถ้าเป็นมัชชิมนิกายก็เรียนมาเรื่อยๆนะตั้งแต่มูลปริยยายสูตรเรียนไปจนถึงเนี่ยเทวทูตสูตรนะ ก็ได้ยินว่าดูก่รพี่สู่ทั้งหลายพวกนายนิรยาบาลย่อมใส่สัตว์แต่นะตัวผู้เสวยกองทุกมีประมาณเท่านี้เข้าไปในมหารกอีกคือเรื่องของเรื่องก็ไล่อยู่ว่าตั้งแต่ว่ า, านะคนพาณทั้งหลายเมื่อเห็นเทวทูตแล้วก็ยังไม่ไม่ละความชั่วนะก็ทําความชั่วพอทําความชั่วเสร็จก็ไปผ่านสํานักพญายมผ่านสํานักพญายมก็ถามหาถึงความดีนะก็นึกถึงความดีไม่ได้ พยายมก็เลยวางอุเบกขานะสัตว์นั้นก็เลยเข้าไปในนรกทีนี้พอเข้าไปในนรกเป็นยังไง น, นะก็ตามสูตรนะถูกถ้าให้นอนหงายแล้วก็เอาไอ้คมๆนะนเรียกอะไรของคมๆของแหลมคมเนี่ยนะทิ่มไปที่มือสองข้างที่เท้าทั้งสองเนี่ยนะตอกลงไปกับพื้นอนะ่ะคือปกติเขาตอกหลักไว้ที่ดินใช่ไอันนี้ตอกหลักเอาไว้กับสัตว์นรกก่อนแล้วก็ตอกใส่ไว้ใน พื้นหินพื้นเหล็กแล้วก็ตักเอ่อหอกตรงกลางอีกที่สวงอกเนี่ยนะแต่ว่าสัตว์ก็ไม่ตายตราบเท่าบาปรกรรมยังไม่สิ้นสุดอันนี้หนึ่งวิธีวิธีที่สองท่านก็บอกว่าเอ่อเอาสัสตว์นั่นแหละเอาขาขึ้นข้างบนห้อยหัวลงข้างล่างแล้วก็ใช้ผึงเนี่ยถกักใช้มีดเนี่ยแล่ลงมานะ <c oughs> เคยเห็นที่เขาแขวนเท้าโคเท้าหมูไม่ลักษณะนั้นนะ่ะเขาก็ชํ่แหละลงมาเรื่อยๆอย่างนั้น อย่างอย่างหนึ่งก็ผลักลงให้ล้มแล้วก็ใช้พึ่งเนี่ยถากเหมือนก็ถากไม้ถากของทั้งหลายอีกวิธีหนึ่งก็เอามาเทียมในเกวียนอ่ะนะแล้วก็ให้วิ่งไปบนพื้นเหล็กร้อนๆแล้วก็ให้ปีนขึ้นบนภูเขาฐานเพลิงอ่ะนะอันนี้ก็เป็นกรรมลักษณะเล็กๆน้อยๆเสร็จแล้วก็โยนเข้าไปในมหานรกฟังกันไอ้มหานรกเนี่ยถ้าบอกเป็นกรอบใหญ่สี่เหลี่ยมเนี่ยนะสี่เหลี่ยมก็คือเป็น เหมือนคอกเหล็กนะข้างบนก็ทับด้วยเหล็กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไฟนรกเนี่ยพุ่งมาในทิศทั้ง6เลยนะ น, นะสัตว์นรกก็ถูกไฟเนี่ยตั้งแต่ทิศเหนือเผาเนี่ยพุ่งไปทางทิศใต้และอนุภาพของไฟนรกเนี่ยมันร้อนแรงมากทานั้นบอกว่าตาธรรมดาเนี่ยมองสักพ0 0กว่ากิโลเนี่ยนะ 1, กิโลถ้าลืมตามองเนี่ยตาบอดเลยงั้นมันร้อนแรงขนาดนั้นนะดวงอาทิตย์นี่ถ้ามองสัก2นาทีเป็นไง บอดเหมือนกันนะนี่ไฟนรกก็ไม่ไม่น่าจะอ่อนแรงกว่าดวงอาทิตย์สักเท่าไรหรอกเนี่ยนะทีนี้ไอ้ไฟเนี่ยพุ่งอย่างนี้แล้วก็บอกว่าประตูทางที่ตะวันออกนานๆทีมันจะเปิดเนี่ยนะสัตว์นรกก็อ้าวประตูเปิดแล้วรีบวิ่งไปพอไปถึงประตูมันก็ปิดเนี่ยนะแล้วก็ถูกไฟนรกเ น, นี่ยเผาพุ่งอยู่อย่างนี้ตลอดอีกนานๆก็ประตูอีกข้างหนึ่งก็เปิดอย่างนี้อีกเหมือนกันก็อยู่อย่างเนี้ยจนกว่า กรรมมันจะเบาบางหน่อยพอประตูเปิดมีอยู่ครั้งหนึ่งเปิดแล้วเปิดวิ่งออกไปได้พอวิ่งออกไปได้ก็ไปตกไอ้พวกเช่นน้ำ น, นะตกแม่น้ําก็แม่น้ํนานรกอีกนั่นแหละไปลงไปในหลุมอุจจระเป็นต้น น, นะนะเสร็จแล้วก็วนกลับมาที่เดิมอีกนะคือเวียนมาเคยลงรอบแรยกยังไงนะก็วนกลับมาที่นับหนึ่งใหม่อย่างนี้อีกพอพระพิสูุ่มเนี่ยนะฟังมาจนถึงขนาดอา้าวนี่วนมาหานรกคืนอีกแล้เรื่งเนี่ย อ น, นึกว่าแค่นี้พ้นแล้วเปล่าไม่พ้นก็วนกลับมารอบใหม่เนีย่ยนะก็คือมีหลายรอบท่านก็เลยบอกว่านายนิรียบาลใส่สัตว์ผู้สเสวยกองทุกมีประมาณเท่านี้ลงไปในมหานรกอีกโอ้มหานรกนี่มันหนักนะครับมั้งกันพระติระก็ตอบว่าเออผู้มีอายุหนักนะนะก็ตอบว่าใช่อะ่ะหนักจริงจริงมั้ถามว่าผมอาจจะมองเห็นไหมครับมาอยากจะเห็นมีจริงหรือเปล่านะ พระเถระก็บอกว่าท่านไม่อาจจะเห็นแต่เราจะแสดงเหตุอย่างหนึ่งเพื่อการกระทำให้เหมือนกับที่ท่านมองเห็นคือถ้าเปิดให้ดูไม่ได้เดี๋ยวตาบอดเหมือนั้นแต่ว่าจะใช้วิธีให้เห็นหอย่างนั้นกล่าวว่าเธอจงชักชวนพวกสัมาเนเนเนี่ยทำกองไม้สดบนหลังแผ่นหินสิเนี่ยนะก็ไปชวนสัมาเนนะไปหาเอากิ่งไม้สดๆเนี่ยมากองไว้บนกองแผ่นหินแล้วก็กระทาเหมือนอย่างนั้นนะ พระเถระก็นั่งอยู่ตามเดิมสําแดงฤทธ์นาสเก็ดไฟประมาณเท่าแสงหิ่งห้อยมาจากมหานรกใส่ลงไปที่กองฟืนของพระเถระนั้นผู้กําลังแลดูอยู่นั่นแหลสเก็ดไฟนรกตกลงไปในกองฟืนแลการที่กองฟืนไม่เป็นเท่าปรากฏไม่ก่อนไม่หลังกันเลยสเก็ดไฟกับฟืนเนี่ยมันหายไปพร้อมกันเลยพรับเดียวหมดเลยนะพระเถระพอเห็นเหตุนั้นแล้วก็ถามว่า ท่านผู้เจริญธุระในะาศาสนานี้มีเท่าไหร่บ้างนั้นนะคือ <c ười> ปกตินี่พอพูดถึงทุกข์แล้วใครจะอยากรับบ้างนะมีทางออกไหมนี่ก็เลยหาทางออกในาศาสนานี้พระเทระก็บอกว่าท่านผู้มีอายุมีสองอย่างคือว่าสัทุระกับคันธัตุระวาสะนี่แปลว่าการอยู่นะก็คืออยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือคันธัตุระการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอน ท่านก็เลยกล่าวว่าท่านผู้เจริญขึ้นชื่อว่าคันถะเป็นภาระของผู้สามารถนะการเรียนพระไตรปิฎกเอาไว้คนเขามีบุญกันแล้วกันท่านเรียนไปแต่ศรัทธาของกระผมอาศัยทุกข์เป็นเหตุนะที่ผมมาบวชนี่ผมกลัวภัยในนรกนั้นน่ยที่มาบวชนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจักบําเพ็ญว่าสาธุระคือบําเพ็ญสมถวิปัสนาขอท่านจงให้กรรมฐานแก่กระผมเถิด ไหว้แล้วก็นั่งลงพระเถระตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติก็เลยคิดว่าภิกษุต้องเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัด น, นะอาจารย์ของท่านก็เป็นผู้ที่เน้นหนักในวัดปฏิบัติมากแล้วก็บอกกรรมฐานแก่ท่านท่านก็รับเอากรรมฐานกระทํากรรมในวิปัสสนานีนะก็วิปัสสนานี่ก็ไม่มีอะไรเกินในวิสุทธิมรรคหรอก็ขันอายตนาธาตุนะตามสูตรก็มีเท่านั้นและท่านบําเพ็ญกระทําวัดที่เจตละบรรพสมหาวิหารวันหนึ่งนะ ทำที่คาเมนดาวาสีมหาวิหารอีกวันหนึ่งทำที่โคจระคามมหาวิหารอีกวันหนึ่งคือปกติเนะีเป็นคนที่รับทําความสะอาดในในบริเวณวัดนะนีวันนี้ทําวัดนี้พรุ่งนี้ไปทําอีกวัดหนึ่งปา ร, รินนี้ไปทําอีกวัดหนึ่งแต่ระหว่างทําวัดเจริญวิปัสสนาด้วยนะคือคือไม่ได้ทําแบบคลุกเคลียนะก็ค่อ ย, อยทําไปเจริญไปอนะไรปัดกวาดไปเจริญวิปัสสนาไปเช็ดถูไปเจริญวิปัสสนาไปอย่างนะ ทีนี้พอเจริญไปทีน่ามิ t h ครอบงำง่วงขึ้นมาท่านก็เอาทําใบไม้เนี่ยให้ชุ่มน้ําแล้วก็วางไว้บนศีรษะนะหาใบไม้มาทําให้มันชุ่มแล้วก็วางไว้บนศีรษะหรือบางครั้งก็นั่งเอาเท้าแช่น้ํำมาไว้นี่นะพี่ปิจาร์จะลองมั่งก็ได้ไปนั่งบนสะพานตรงนั้น น, นะน่นแช่ไว้เลยนะตรงน้ําเย็นจะเยอกเลยนะทีนี้ท่านก็เอาน้ําเนี่ยเออะเอาเท้าเนี่ยแช่น้ําเอาไว้ กลัวว่าวัดจะเสื่อมวันหนึ่งทำวัดตลอดสองยามเนี่ยนะก็คือตั้งแต่ปฐมยามมัชิมยามก็คือเวลาสักตีสองได้ น, นะชิด ท, ที่จิตละบันทดเมื่อเริ่มจะหลับนะตีสองแล้วมันก็ง่วงเต็มทีแล้วนะเวลาใกล้จะรุ่งจึงนั่งวางใบไม้สดเนี่ยนะเอาไว้บนศีรษะอีกนะเอาใบไม้สดสดมาวางไว้บนศีรษะเมื่อสมนเนนกำลังท่องบนอรุณวติสูตรอยู่เนี่ยนะคือปกตินี้สัก ตีสขึ้นไปแล้วนะสัมมนเนนทั้งหลายก็จะลุลกขึ้นมาสวดมาสาธยายมาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนลนะท่านก็เลยนั่งอยู่ด้านที่ตะวันออกก็ได้ยินพระสูตรนี้ว่ า, านะยินได้ยินพุทธพจน์ทบทนี้พอดีว่าอารัปทะนิคมาทะยนชะทะพุทธศาสเนทุนาถะมัจจุโนเซนังณลาคารังวกุญชโรโยอิมาสมิงธรรมวินเยอปปมัตโตวิหาริสติ ปหายะชาติสังสารังทุกขสันตังกริสติที่แปลว่าจงภาคเพียรพยายามบากบั่นในพระพุทธศาสนาจงกำจัดกองทัพของมรุตอยู่เหมือนกุญชรกำจัดเรือนไม้อวะันนั้นผู้ใดไม่ประมาทในพระธรรมวินัยนี้อยู่จากละชาติสงสารกระทาที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะว่าเน้นไออารัทะความภาคเพียนเนี่ยนะ นคมาถะพยายามยุนชะถะก็คือบากบัน่นและก็มันประกอบในพระพุทธศาสนาอย่างนี้และก็กําจัดกองทัพแห่งความตายเหมือนช้างกําจัดเรือนไม้อ้อเพราะว่าผู้ใดไม่ประมาทในธรรมวินัยคือคําสอนนี้จักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติตามเนี่ยไม่ประมาทในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะสิ้นวัตถทุกสังสารทุกขดับกองทุกได้หมด พอฟังอย่างนี้ท่านเกิดปีติขึ้นเลยเนี่ยนะคือปกติท่านก็เพียนแบบนี้อยู่แล้วนะเป็นผู้ที่เพียนตลอดอยู่แล้วพอได้ยินคําว่าเพียนปุ๊บปีติเลยนะท่านคิดว่าคํานี้จะเป็นคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโปรดภิกษุผู้ปรารบความเพียรเช่นกับเร า, านะดังนี้แล้วก็ทําฌานให้เกิดเนี่ยนะกระทําฌานนั่นแลให้เป็นบาทแล้วก็ดํารงอยู่ในอนาคามีผล พยายามสืบต่อไปก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาเม้ในเวลาปรินิพานเมื่อจะแสดงเหตุนั้นนั่นแหละก็เลยเกล่าวคาถาว่าอั ล, ลปราสะปุญชาหั่งสิเรนาทายจังกมิปัตโตสมิตัติยัตฐานังนัติเมเอสังสยเราเอาศีรษะเทินฟ้นใบไม้สดเดินจงกรม เราเป็นผู้ถึงฐานะที่3คืออนาคามีผลเราไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้ น, นะคือท่านมีความเข้าใจในเรื่องสมถะและวิปัสสนาเนี่ยเป็นอย่างดีอยู่แล้ว น, นะเพราะฉนผู้ที่มีความเข้าใจสมถะวิปัสสนาอย่างดีเนี่ยนะไอ้กิจที่สำคัญต่อไปก็คือทำอยังไงที่จะภาคเพียรเจริญให้ได้ตลอดให้ได้มากให้ได้ต่อเนื่องเท่านั้นเองทีนี้เมื่อท่านเจริญภาคเพียรพยายามอย่างมากอย่างต่อเนื่อง นนะธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติตามก็ย่อมจะเห็นผลเนี่ยนะพระชนน์ท่านก็เลยได้บรรลุมรรคผลจริงๆเพราะฉะนั้นกิเลสที่ข่มไว้ได้ด้วยอํานาจแห่งวัดของพิสุเห็นปานนี้ชื่อว่าย่อมเป็นอันข่มไว้ได้อย่างนั้นเที่ยวเนี่ยนะมันก็อันนี้ผู้ที่อาศัยวัดนะแล้วก็ไม่ประมาทในวัดตั้งใจปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลต่อไปเนี่ยนะคือไม่เลิกราซะก่อนเนี่ยนะอันนี้อย่างแรกก่อนนะ อย่างที่สองก็ภิกษุบางรูปขวนขวายในคันทะคือพระไตรปิฎกเนี่ยนะเรียนด้วยสแสดงด้วยและประกาศานีนะคันทะโดยในที่กล่าวแล้วนั่นแลกิเลสย่อมไม่ได้โอกาสเป็นอันคมไว้ได้ด้วยอํานาจของคันทะนั่นแหลคือขณะที่เรียนศึกษาพระไตรปิฎกพุทธพจน์เนี่ยนะใครครวรคนคิดกับคําสอนนี้กิเลกก็ไม่เกิดอีกแล้วนะกุศลจิตก็เกิดอย่างเดียวเกิดอย่างเดียว ท่านกระทํากิเลสนั้นให้เป็นอันขมได้แล้วอย่างนั้นนั่นแหลคลายกําหนัดแล้วก็ยึดเอาพระรหัสไว้ได้เหมือนพระมารยาเทวะเทระฉะนั้นนะคือพระมาลัยเทวเน่ยนะพระมาลัยเทพอ่ะองค์นี้แหละที่น่าจะเป็นรูปเดียวกันที่ว่าดีกามาลัยเทวะเทระเนี่ยนะก็คือน่าจะเป็นองค์นี้นะพูดถึงประวัติของท่านบางส่วนว่าได้ยินว่า พระมาลยเทวเทระเนี่ยนะก็คือพูดแบบไทยเราก็บอกพระมาลัยเทวะนะหรือพระมาลัยเทพเทระนะผู้มีอายุนั้นนะ่ะเรียนอุเทศและทำวิปัสสนากรรมฐานที่มันดารามวิหารนั่นนะชื่อเหมือนแถวแถวพมา่างั้นนะเนาะจริงแล้วอยู่ที่ศรีลังกาในกัลลคาม น, น, นะแต่ปกติพระรูปนี้จริงๆอ่ะเป็นชาวมาลายชนบทนะ ในเวลาเป็นภิกษุได้ 3, สพันษาเนี่ยนะพูดถึงตอนที่ท่านเป็นภิกษุใหม่เลยนะพันษาเนี่ยครั้นวันหนึ่งเมื่อท่านเที่ยวพิขาจาร์ใกล้กัลละคามอุบาสิกาคนหนึ่งถวายข้าวยาคูกระบบยหนึ่งเนี่ยนะคือถวายข้าวต้มเหือนะกระบวยหนึ่ ง, นนะนะงท่านก็เกิดความศิเนหาเหมือนดังบุตรคือเห็นแล้วรักเหมือนลูกให้พระเถระนั่งภายในนิเวศถวายโภชนะอันประณีตแล้วก็ถามว่า ท่านเป็นชาวบ้านไหนล่ะพ่อท่านก็บอกว่าอุบาสิกาอาตมาทำรรกิจกรรมคือการเรียนคันถะในมันด า, ารามวิหารานะท่านไ ม, ไ, ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นคนที่ไหนแต่ท่านบอกว่าท่านอยู่วัดนี้กําลังเรียนคําสอนอย่างนี้อยู่อุบาสิกาก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพ่อจงรับภิกษาเป็นประจําในที่นี้แหละถ้าเรียนอยู่นี่ก็ดีแล้วไม่ต้องไปบิณฑบาต ท, ที่อื่นมาฉันที่นี่ทุกวันตราบเท่าที่เรียนคันถะ ท่านก็รับคำนั้นแล้วก็รับภิกษาในที่นั้นเป็นประจำในเวลาเสร็จพัฒกิจคือฉันเสร็จเมื่อจะทำอนุโมทนาจึงกล่าวเฉพาะสองบทว่าสุขังโหตุทุกขามุจจตุวังนั้นคือปกติเราบอกวนะ่าสัพยาทาบริวหาหรือว่าสัพพีติโยหรือพระวะตุสัพนะแบบเราๆนะแต่พระรูปนี้ให้พร อ, อยู่สองคำสุขขังโหตุ อ๋อนะขอท่านจงมีความสุขทุกขา ม, มุด จ, จะตกขอท่านจงพ้นทุกข์นะให้พอรอยู่เท่านี้แหละอ๋อนะให้ถึงความสุขให้พ้นจากทุกข์ให้พอรอยู่สั้นๆสองคํานะแล้วก็กระทำการสงเคราะห์แก่นางนั่นแหลตลอดสามเดือนภายในพรรษาไปฉันที่นั่นสมเดือนเนี่ยนะให้พอรอยู่สองบทท่านนี้กระทาความยำเกรงต่อบินทบาทคือปรารภ คำว่ายำเกรงบินทบาทจะกล่าวโดยพิสดารอีกครั้งหนึ่งตอนที่เรียนด้วยโพ่อชงเนี่ยนะแต่ก็คือสรุปย่อๆว่าคำว่าเคารพในบินทบาทนี้ก็ปรารบว่าอุบาสิกาผู้ใส่บาปเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นญาติทางไหนสักอย่างนะและอีกอย่างหนึ่งอุบาสิกาก็ไม่ได้หวังอย่างอื่นจากเรานอกจากบุญกุศลหรือที่เรียกว่าปรารถนาสมบัติ3ประการแล้วเราอะมีกุศลอะไรพอที่จะให้ได้สมบัติ3ประการบ้าง อ่ะก็อาศัยเหตุนั้นก็เจริญสมถะวิปัสสนาใหญ่ก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันปวารณาอ่ะวันปวารณาก็คือก่อนออกพรรษาหนึ่งวันอ่ะนะวันพระที่ยมนิยมไปทําบุญกันอ่ะวันนั้นแหละท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาพระมหาเทระผู้เป็นเจ้าถิ่นกล่าวว่าท่านมหาเทวะวันนี้มหาชนจักประชุมกันในวิหาร ท่านจงให้ธรรมทานแก่มหาชนนั้น น, นะพระ 3, สามพันศาเนี่ยนะ 3, สามพันษาก็บอกว่าได้เวลาท่านเทพแสดงว่าท่านเรียนเก่งมากะนะเรียนคงไม่กี่วันเนี่ยนะสงสัยรู้มีความรู้ความสามารถเยอะก็เลยบอกให้ชื่อว่ามหาเลยนะปกติเขาจะไม่เรียกใครมาหากันง่ายๆ น, นะก็เลยเรียกว่ามหาเทวะพูดแบบไทยๆก็บอกมหาเทพ น, นะนะชื่อว่ามหาเทพนะคือวอแหวนโดยมากแปลงเป็นพอพานเนี่ยนะ พัทธิระก็รับคําเชิญภิกษุหนุ่มและสามเณรก็ให้สัญญาแก่อุบาสิกานคนที่อุปถากประจําว่าวันนี้บุตรของท่านจักแสดงธรรมท่านพึงไปวิหารฟังธรรมนั น, นะอุบาสิกาก็กล่าวว่าพ่อทั้งหลายชนทั้งชนทั้งหมดไม่รู้ธรรมกถาบุตรของดิฉันแสดงธรรมะแก่ดิฉันตลอดการมีประมาณเท่านี้แสดงเฉพาะสองบทเท่านั้นว่าขอท่านจงมีความสุขขอท่านจงพ้นจากทุกข์ ท่านอย่าเยอะหยันเลยแบบนั้นนะอย่ามาเย่อเย้ยถากถังนะว่าองค์นั้นจะเทศเพราะว่าทั้งมบรรษาก็เทศอยู่สองคำแค่นี้แหละแบบนั้นภิกษุนมและสัมมเณรก็กล่าวว่าอุบาสิกาท่านจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็จงไปวิหารฟังธรรมเท่านั้น น, นะสรุปแล้วว่าต้องไปอย่างเดียวแบบนั้นอุบาสิกาก็ถือเอาสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปบูชาแล้วก็นั่งฟังธรรมอยู่ท้ายบริษัทนะ น, นะใสยไปแถวท้า ย, ายนู่นแนหะ ถ้ารรมรึกและภิกษุผู้สวดสารพันยะตอนกลางวันรู้ความพอดีของตนก็ลุกกลับไปเนี่ยนะเขาก็จะแบ่งวาระอนะครเทศอะไรใครสวดอะไรใครยังไงก็จะแบ่งๆกันไปลำดับนั้นพระมารยะเทวะเถระก็นั่งบนธรรมมาตุจับพัดวิชนีกล่าวบุรปรกถาแล้วก็คิดว่า เราทําอนุโมทนาแกมหาอุบาสิกาด้วยสองบทมาตลอดสเดือนวันนี้เราจักจับเอาข้อความจากพระไตรปิฎกแล้วก็กล่าวความหมายของสองบทนั้นตลอดทั้งคืนเนี่ยนะพูดสองบทอ่ะนะว่าขอให้มีความสุขขอให้พ้นทุกเนี่ยนะตั้งเอาสองประโยคนี้แล้วก็แสดงธรรมทั้งคืนเนี่ยนะเอาข้อความในพระไตรปิฎกขึ้นมาแสดงอ่ะนะเวลา เทศจบอรุณขึ้นมหาอุบาสิกาก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพันธ์นะนะผูกการประมวลลงอริยศัพท์จะสุ ข, ขังโหตุขอให้มีความสุขทุกขามุด จ, จะตุขอให้พ้นจากความทุกเนี่ยนะสงฆ์ลงอริยศัพท์มันจะได้อารยศัพท์อะไรบ้างสุขขังโหตุขอให้มีความสุขในมรรคผลนิพพานเนี่ยนะทุกขามุด จ, จะตุขอให้พ้นจากวัฏตทุกทั้งมวลนะนะถ้าอย่างนี้ก็เทศได้ทั้งคืนนะใช่ไหม นะขอให้บรรลุถึงสุขในมัคผลนิพานเนี่ยนะอริยมัคผลนิพานจะเกิดได้ยังไงล่ะนะก็อธิบายไปเถอะสติปัฏฐานเนี่ยนะทั้งทั้งสูตรมนและนั่นแหละข้อปฏิบัติให้ถึงความสุขอย่างแท้จริงและขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งมวลก็คือขอให้พ้นจากวัตถุทุกสังขารทุกข์ทั้งหลายแหลนะทุกในอบายทุกในเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นถ้าขยายจำแนกแจกแจงอย่างละเอียดก็ทั้งคืนอย่างว่าเน่ยนะถ้าเอาข้อความในพระไตรปิฎกมาขยาย ทั้นพอสว่างก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยนะนะฟังเทศกันจริงๆะนะฟังกันทั้งคืนนะก็มสมัยนี้เขาก็กินเลี้ยงกันดึกเดิเมนมาเงินมากว่าจะเลิกกันนะมังกรก็เกี่ยงคืนตีสองตีสามก็ละมงตรงแต็งอยู่นั่นแหละนะสมัยก่อนก็กิจกรรมหลักๆเขาก็ฟังเทศฟังธรรมอ่ะนะคือสมัยก่อนเนี่ยนะคนดีมีอํานาจมากสมัยนี้คนดีไม่มากอํานาจเยอะเนี่ยนะ ก็เลยแตกต่างกันมากคนที่จัดให้คนร้องกับจัดให้เทศเนี่ยนะคนที่จัดให้คนร้องเนี่ยมีอำนาจกว่าก็เลยฟังเพลงกันซะส่วนใหญ่ฟังธรรมก็ไม่ค่อยมีละอันนี้หนึ่งตัวอย่างนะว่าพระมาลัยเทวทีระรูปนี้เนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่เรียนปริยัติ ด, ด้วยแล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วยก็บรรลุเป็นผ้ารหารัสระหว่างการเรียนการปฏิบัตินั่นแหละ กิเลสที่ท่านข่มไว้ด้วยปริยัตก็เลยข่มไว้ได้ตลอดเลยคืออริยมรรคเกิดขึ้นกิเลสก็ไม่กำเริบอีกต่อไปแล้ว